อขอให้ทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจที่วิ่งเข้าวิ่งออกกระทบปลายจมูกของเราให้ชัดเจนให้ต่อเนื่องนั่งตามสบายวางกายให้สบายฟังไปด้วยน้อมสำเนียบไปด้วยหลองจุดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกมายาวๆสักสองสามเที่ยว สัมผัสของลมหายใจที่วิ่งเข้ากระทบปลายจมูกของเราก็าจะชัดเจนกายของเราก็จะสบายขึ้นเยอะการสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆฝันลมหายใจออกมายาวๆความนึกคิดปุงแต่งต่างๆที่เกิดจากใจเกิดจากอาการหองขันห้าก็าจะสงบลงไปทันทีสัมผัสความรู้สึกรับรู้ลมกระทบปลายจมูกนั่นแหละที่ภาษ า, ษาธรรมะท่านเรียกว่ารู้กาย เราพยายามรู้ให้ต่อเนื่องให้เชื่อมโยงทั้งการหายใจเข้าหายใจออกหายใจยาวหายใจสัน้นอันนี้เป็นการฝึกฝนสติให้อยู่กับกายให้รู้กายถ้ากำลังสติความรู้ตัวของเรามากขึ้นมากขึ้นเราก็จะได้เอาไปอบรมใจของเราการเกิดการดับของใจการเกิดการดับของความคิดที่เราไม่ตั้งใจคิด ซึ่งเป็นส่วนนามธรรมาเขามีมาตั้งนานเราพระพุทธองค์ท่านจึงให้มาเจริญสติก็ไปอบรมใจไปหมั่นร่ำสอนใจจนกว่าใจของเราจะคลายออกจากขันห้าซึ่งเป็นส่วนนามธรรมาด้วยกันใจของเราคลายออกภาษาธรรมะท่านเรียกว่าแยกรูปแยกนามเหมือนกับไงของที่คว่ําใจก็จะเบา กายก็จะเบาใจก็จะโลง่งความรู้ตัวก็จะตามดูเห็นการเกิดการดับของขันห้าเป็นเรื่องอะไรเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเป็นกลางๆเราก็จะเข้าใจรูปอันนี้คือส่วนรูปอันนี้คือส่วนนามเข้าใจเรื่องสมมติวีมติเข้าใจเรื่องอัตตาอนัตตาตามแนวทางของพระพุทธองค์ท่านได้ค้นพบ แล้วก็เอามาเปิดเผยแต่คนทั่วไปมีตั้งแต่ไปนึกไปคิดเอาบางทีใจก็เกิดบางทีขันห้าก็ใจก็รวมกันบางทีทั้งใจทั้งขันหา้าทั้งปัญญารวมกัน ไปทั้งก้อนนั่นแหละหลงทั้งก้อนความหลงนี้มีมานาน <c oughs> ใจนี้หลงเกิดหลงเกิดตั้งแต่ยังไม่ได้อยู่ในมาเกิดในภพมนุษย์หลงเกิดปนเวียนไหวา ย, ายเกิดอยู่ในภพน้อยภพใหญ่อยู่ในสังสารวัฏอยู่ในสวรรค์บ้างพรมบ้างนรกบ้างสัตว์เดรัจฉานบ้างถ้าเรามาศึกษาดูรู้ให้ละเอียดเรามาจเจริญสติ ให้เข้มแข็งให้ต่อเนื่องด้วยพลังแรงบุญแรงศรัทธาน้อมกายน้อมใจเข้ามาแล้วก็ศึกษาในการขัดเก่ากิเลตของเราเป็นอย่างไรบ้างความโลภเป็นอย่างไรความอยากเป็นอย่างไรความโกรธเป็นอย่างไรนิวรธรรมความกังวลความฟุ้งซ่านความลังเล ส, สงสัยต่างๆเกิดจากใจของเราเราก็พยายามเจริญสติหรือว่ามาสร้างผู้รู้ มาสร้างผู้รู้เข้าไปอบรมใจของเราไปหมั่นพัฒน์สอนใจของเราทุกเวลาทุกขณะลมหายใจเข้าออกใจของเรานี้เป็นธาตุรู้แต่เวลานี้เขาทั้งหลงทั้งเกิดเกิดหลายสิ่งหลายอย่างเขาสร้างขุนโมหะความหลงมาปิดกั้นตัวเองมาสร้างขันห้าปิดกั้นตัวเองแล้วก็เป็นธาตุของกิเลสปิดกั้นตัวเองแล้วก็มาเกิดหรือว่ามานึกคิดปรุงแต่งปิดกั้นตัวของเขาเอง ในหลักธรรมแล้วท่านให้เจริญสติเข้าไปเห็นเหตุเห็นผลที่เหตุที่ผลตามดูรู้เห็นตามความเป็นจริงจนใจของเราอยอมรับความเป็นจริงได้เขาถึงจะปล่อยจะวางได้กิเลสหยาบเป็นอย่างไรกิเลสละเอียดเป็นอย่างไรมีมากมายนี่ถ้าเราฝึกเจริญสติที่เข้มแข็งแล้วเราก็จะเห็นถ้ากําลังสติของเรามีไม่เพียงพอเราก็จะไม่เห็น ยิ่งฝึกไปเท่าไรยิ่งเห็นเยอะยิ่งเห็นเยอะเท่าไร่ก็ยิ่งทำความเข้าใจแล้วค่อยละ มันไม่อยู่เหนือความพยายามด้วยเหตุด้วยผลด้วยสติด้วยปัญญาเราต้องจำแนกแจกแจงให้ได้ว่าอันนี้เป็นส่วนสติปัญญาที่เราสร้างขึ้นมาใหม่อันนี้ความเกิดความดับของใจเขามีอยู่เดิมไม่ใช่ว่าไปทาปุ๊บมันจะได้ปับ๊บก็ค่อยสร้างสะสมคุณงามความดีสร้างสะสมบุญบารมีสร้างาาสะสมกำลังสติปัญญาหาเหตุหาผลจนเห็นต้น ต้นของการเกิดการเกิดใจเกิดอย่างไรขันห้าเกิดอย่างไรเขาไปรวมกันได้อย่างไรส่วนการทำบุญสร้างอาณิสงฆ์สร้างบารมีนั้นมีกันทุกคนจะมีมากมีน้อยก็ขึ้นอยู่กับการ เ, เ, เสียสละของแต่ละบุคคลบุญสมมุติเราก็ทำ บุญวิมุดทางด้านจิตใจเราก็ขัดเกากิเลนให้ถึงความสะอาดความบริสุทธิ์ใจที่ไม่มีกิเลสใจที่ปราศจากความยึดมัน่นถือมั่นใจที่คลายจากขันห้าเขาก็จะสงบนิ่ง เขารู้ว่าการเกิดเป็นทุกข์เขาก็ไม่เกิดเขารู้ว่าการไปธาตุของกิเลสเขาก็ไม่เอาทุกคนนั้นไม่มีกิเลสมาแต่เดิมความไม่รู้ถึงมาสร้างสะสมกิเลสเข้าปิดกั้นตัวเราจงเป็นบุคคลที่เตรียมพร้อม <c oughs> ทุกเวลาทุกขณะลมหายใจเข้าออกทุกขณะจิตก่อนที่จะเป็นทุกขณะลมหายใจเข้าออกทุกขณะจิตกำลังสติต้องตามค้นคว้าทุกอย่าง จนใจของเรารับรู้เห็นตามความเป็นจริงหมดแล้วก็ดับความเกิดของใจแล้วก็วางใจให้เป็นอิสระภาพจากสิ่งต่างๆมองเห็นหนทางเดินว่าเราจะได้กลับมาเกิดหรือไม่กลับมาเกิดกันก็ต้องพยายามอย่าปิดกั้นตัวเองว่าไม่มีโอกาสสิ่งเล็กๆแน่นอนเราก็อย่าไปมองข้ามความคิดเขาเกิดขึ้นได้อย่างไรความอยากความหิวเราจะมแมกแจกแจงได้แล้วหรือยัง กายทวารทำหน้าที่อย่างไรตาทำหน้าที่ดูหูทำหน้าที่ฟังเป็นทางผ่านของรูปรสกลิ่นเสียงเข้าไปถึงตัววิญญาณตัวใจหรือว่าตัววิญญาณนั้นเกิดความบินดีกินร้ายหรือไม่เกิดกิเลสหรือไม่เราก็จัดการที่ใจของเรา สตินี้จะเป็นเพื่อนใจอบรมใจจ้องใหม่ๆนี้ใจจะเป็นเพื่อนอกับขันห้าเขาเกิดด้วยการรวมกันไปเป็นเพื่อนของกิเลส่งเสริมกันไปเราจงจเจริญสติให้เข้มแข็งเราก็ไปอบรมใจเป็นที่พึ่งของใจท่านถึงบอกว่าตนเป็นที่พึ่งของตนตนตัวแรกก็ตัวสติที่เราสร้างขึ้นมานี่แหละตนตัวที่สองก็คือตัวใจนั่นแหละท่านถึงเรียก ว, ว่าตนเป็นที่พึ่งของตนอหลบมุมดภายนอกเราก็พยายาม ยังประโยชน์ทางสมมติให้เกิดประโยชน์ด้วยเหตุด้วยผลด้วยสติปัญญากายของเราก็จะอยู่ดีมีความพุกเพราะคนเราเกิดมาก็ต้องอาศัยปัจเจศีอยู่เนื่องด้วยโลกธรรมแต่เราต้องทําความเข้าใจไม่ให้ใจของเราเขาเป็นหลงเข้าไปยึดใจต้องคลายจากขันห้าในกายของเราให้ได้เสียก่อนใจวางขันห้าในกายแล้วมันก็วางได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างทีนี้เราจะละกิเลสได้หมดจบหรือไม่ก็ขึ้นอยู่ความเพียนของเรา ถ้าปิดกั้นตัวเองมันก็หมดโอกาสถ้าไม่ศึกษาภายในกายของเรามันก็ยากที่จะเข้าถึงจะว่ายากก็ยากเจะว่าง่ายก็ง่ายง่ายสำหรับบุคคลที่เข้าใจแล้วจะยากสำหรับบุคคลที่ยังไม่เข้าใจท่านถึงบอกว่าเป็นการฝืนเป็นการทวนกระแสกิเลส เพราะว่าใจของเราชอบเกิดความเกิดนั่นแหละคือความหลงอารมณมลึกเกิดแล้วก็ยังไม่พอก็มายึดอีกมาเกิดมาสร้างพบมนุษย์ก็มายึดอยู่ในขันห้าในพบมนุษย์พระพุทธองค์ท่านถึงบอกว่าให้จําแนกแกะแงงในขันห้าในร่างกายของเราให้รู้แจ้งเห็นจริงขณะมีลมหายใจอยู่ถ้าหมดลมหายใจไปแล้วก็มีตั้งรเรื่องบุญกับเรื่องบาปถ้าตาาไปที่ใจยังปล่อยวางไม่ได้ก็ขอให้อยู่ในกองบุญเอาไว้ สร้างบุญสร้างอานิสงค์ขเขียวว่าสร้างบรารมีนี่สร้างมากก็เป็นของเราทําน้อยก็เป็นของเรามีโอกาสทําไม่ว่าอยู่ที่ไหนตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเราก็พยายามรีบทำคิดดีทดําดีการกระทำของเราให้ถึงพร้อมถึงจะเกิดประโยชน์ไม่ว่าพระวิญญาณบัชีนี่ก็มีขันห้าเหมือนกันหมดมีจิตวิญญาณเหมือนกันหมดเว้นแต่ว่าเราจะดําเนินให้ถูกที่ถูกทางขยันมันเพียรให้ถึงจุดหมายปลายทางหรือไม่นี่ถ้าเราปล่อยวัน เวลาทิ้งเราก็อาจจะไม่ถึงเราก็ต้องพยายามมันสร้างมันคว้นควายมันปักไฟในสิ่งที่เรามีในสิ่งที่เราเป็นในสิ่งที่เราทําสักวันหนึ่งก็คงจะถึงจุดหมายปลายทางกันไม่ถึงช้าก็ต้องถึงเร็วตราบใดที่เรายังเดินอยู่แนวทางนั้นพระพุทธองค์ท่านได้ค้นพบแล้วก็มาเปิดเผยการเจริญสติการเจริญปัญญาการแยกรูปแยกนามเป็นลักษณะอย่างนี้การละกิเลสหยาบกิเลสละเอียดเป็นอย่างนี้ กิเลสก็มีหลายชั้นหลายขั้นหลายตอนกิเลสความโลภความหลงตัวใหญ่ใหญ่ความหลงนี่ถ้าไม่เจริญสติเข้าไปแยกไปคายมันก็หลงอยู่แต่ถ้าความโลภความโกรธความพยายานอยากอันนี้เราก็ค่อยละค่อยดับไปเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงกิเลสตัวละเอียดละเอียดที่ฝังลากลึกอยู่ในใจของเราพยายามถอนรากถอนโคนให้มันหมดจดเราก็จะได้มองเห็นหนทางเดินว่าเราจะได้กลับมาเกิดหรือไม่กลับมาเกิดกันใจที่ปราศจากใจที่ไม่มีกิเลสเขาก็สะอาดเขาก็บริสุทธิ์ความเกิดแม้แต่นิดนึงก็อย่าให้เกิดขึ้นที่ใจถ้าความเกิดเป็นทุกเขารู้ความเป็นจริงแล้วเขาก็ไม่เกิดถึงเกิดก็ใช้ปัญญาเขาไปดับ ดับความเกิดวางกิเลสแยกรูปแยกนามวางกิเลสดับความเกิดใจไม่เกิดแล้วก็ให้ปล่อยเป็นอิสรภาพอยู่ในความบริสุทธิ์ความว่างความบริสุทธิ์นั่นแหละคือเครื่องอยู่ของใจไม่ใช่อะไรตัวใจนั่นแหละคือตัวธรรมตัวใจนั่นแหละคือตัวบุญเราก็จงพยายามกันนะเอาลราวันนี้ขอจเจริญธรรมอยนตอนนี้ปากันไหวปะพร้อมกันปากันไปสร้างฐานเจาะทําความเข้าใจกันเอา